ของร่างกายขันห้านี่เองเกิดขึ้นมาแล้วมาเป็นมนุษย์ที่เราเป็นตัวตนทุกคนเรียกว่าเราเกิดมาแล้วเป็นตัวเป็นชายเป็นหญิงขึ้นมากันแล้วทุกคนแล้วมันก็ต้องแก่มันก็ต้องเจ็บไข้ได้แบบมันก็ต้องตายมันธรรมดานี่เ็เรียกว่าธรรมดาอย่างที่ให้สวดกันว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเจ็บไข้เป็นธรรมดาอะไร่ง ำว่าธรรมดาบรรดามันเป็นเองธรรมดาเป็นธรรมชาติธรรมดามันอย่างนั้นเกิดมีอย่างนั้นแล้วมันเป็นของมันเองใช้คำว่าแก่ธรรมดาเจ็บไข้ธรรมดาตายธรรมดาจากพัดนาจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดา มันเป็นธรรมดาทางนั้นมันเป็นเองนี่ก็มาจากการเกิดมีรูปร่างกายขึ้นมานีเองมันจึงเป็นอย่างนั้นวันที่จาก็สาวก็จะมาเกิดเป็นชาตินี้จะเป็นมนุษย์อย่างนี้จะเกิดมาเป็นรูปร่างได้ไหมชาติเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ เป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างอื่นก็ตามหมายกว่าชาติเกิดขึ้นแล้วปรากฏขึ้นแล้วก็เกดเป็นรูปร่างมีขันหา้าของแล้วมาจากไหนนี่จะามาจากภพมานะความว่าอันนี้ก็ใจประสาพบหมายถึงที่ตั้งที่อยู่ห ใจนะั้นมันจะต้องมีภพตามภบรูปภบลูประภพภพคือพื้นที่เป็นที่อาศัยของใจภพมาจากอะไรสาวก็มาจากอุปทานคือการถือไว้นั่นแหละพอใจถือรูปขันห้าไว้นั่นเองอ่ะมีการถือครูปขันห้านั้นไว้มาจากมาันก็มาจากกันหา ก็อยากได้อยากเป็นอย่างนั้นเอ้าตันหามาจากมาจากเวทนามาจากที่เราได้รับความสบายไม่สบายการนั้นเองอะ่ะเขารู้สึกว่าสบายพับขึ้นมาเหอะรู้สึกว่ายินดีรู้สึกพอใจรู้สึกชื่นใจพอใจแล้วเกินมันเป็นสุขแล้วนี่ก็เลยพอใจกันอย่างแล้วติดข้องนอนอยู่ในสุขนั่นอีกอ กยาว่าตันหามันก็มาจากเวทนาคือได้สุขได้ทุกข์นั่นเองอ่ะถ้าได้สุขแล้วมันก็อยากจะดิ้นรนจะหานะถ้าได้ทุกข์เขาดิ้นสลรัดที่จะออกจากทุกข์ได้ให้ได้หลังเกยียรตทุกข์นั้น ท, ทั้งทั้งที่หลังเกยียตมันก็มาทั้งทุกข์เเวทนาทั้งสุขเขเวทนานั่นเองอ้าวเตขาเวทนาเขาเอหลงหลืมติดข้องอีกแล้วจริงเรียกว่า ไอตัวตัณหาอยากได้อยากเป็นนะั้นมันมาจากจากเวทนาคือได้สบายไม่สบายนั่นเองอ่ะทันได้ที่วัดสบายที่สุดก็ติดนี่จะสบายไม่สบายยนะังเพราะอาศัยอายตระหนเกิดเวทนาเวทนาเกิดขึ้นมาเพราะอาศัยอายตระนะคือเพราะเฮามีตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองอ่ะเพราะูปหลังกายเนี่ยมันมีตามันมีหูมันมีจมูกมัมีลิ้นมีกาย อันนี้เครื่องกระทบมันก็มีรูปภายนอกเย้อญญาอายน้ภายนอกคือรูปเสียงกลินรถพลพระและธรรมารมณ์นั่นก็เป็นของคู่กันตากับรูปก็เป็นคู่กันตาก็จะไม่ต้องเห็นรูปทุกอย่างหัวก็ต้องกระทบเสียงฟังเสียงทุกชนิด โมก็จะ้องรู้กินทินก็รู้รถกายก็ถูกต้องโภชภามันกระทบกันอย่างมันก็เกิดกินดีร้ายขึ้นมามีทานโบราณมาก่อนสมัยที่จะม า, อ ย, าอย่างเด็กๆ เ, เขาคนใหญ่เขาโกหกเขาพูดกันอย่างธรรมดาบอกว่าทำไมอ่ะเวลาเวลาเราตดออก มาไมมันจึงเหม็นเพาว่าก็อพอ่อไวลาเป็นเด็กๆนั่นอ่ะที่มูกมันติดมันออกจากจมูกก็เลยเอาเอาเอาข้อมือไปเช็ดแล้วก็ไปเช็ดที่ตูดเ่างั้นไอ้ตูดมันเจ็บใจเวลาไอออกมาเก็ะ ว, วิ่งใส่หูดังหน่อยความจริงนั้นเขาว่า เ, าเขาไปอย่างนั้นอ่ะว่าให้มันสนุกสนุกไปแต่เหตุ ก็ของมันหน้าที่ของมันอยู่แล้วอะไรจะมารับแทนจมูกได้ไอ้ไอ้ยกลิ่นต่างๆก็ต้องจมูกแล้วเป็นผู้รับรู้ว่ามันมีกลิ่นเหม็นกลิ่ น, นหอมอย่างไรก็จมูกนั่นรู้จะเอาตาไปรู้มันไม่ได้เอาหูไปรู้มันไม่ได้ก็ต้องจมูกทําหน้าที่ท่านจึงเดียว่าอันทั้งหานี่เรียกว่าอีซีมันใหญ่ของมันเดี๋ยวว่าไม่มีใครทําหน้าที่แทนได้เลยะเรื่องจะรับกลิ่น อาหูรับกินแทนมันไม่ได้เห็นเขาว่าคนหูหนวกกับคนตาบอดอันไหนดีกว่ากันบางคนก็บว่าเอาตาลเลยมันได้เห็น ท, ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นดีกว่าดีกว่าคนคนหูหนวกคือตาน่อยดีมีตาดีเห็นนั่นนี่นะหูหนวกวไม่เป็นไรคนก็จะเอาหู หูไม่ได้ฟังในยินดีก็เรียกว่าโอก็เสียท่าทั้งสองนั่นแหละแต่เขาว่าตาดีจะไปไหนมาไหนมันง่ายสำหรับหูนั้มีเครื่องแทนได้ถ้าเรียนสนองสือเราก็เขียนอ่านได้หมดแต่ที่ถ้าคนตาดีมัแต่กําเนิดแต่บวหูไม่ได้รู้เรื่องมันก็เรียนหนังสือไม่ได้สม่วาสมัยนี้เขามีคนหูหนวกหูหนวกตาบอดเขามีโรงเรียนสอนกัน ไอสนะทั้งสองคืออาอสนาภายในภายนอกมากระทบกันเข้ากระทบกันเป็นสัมผัสถูกต้องกันนะวันเดเป็นสัมผัสในทีนี้มันเป็นปัจจยการเทววิญญาณมันอยู่ข้างหน้าจึงไม่มีวิญญาณในทีนี้จึงว่าไอาสนะภายในภายนอกกระทบกันเขก็เราก็เป็นสัมผัสไปเลยแต่ในหลักของ ในจน า, าหกนั่นน่ะท่านว่าเมื่อตาเห็นโลกเกิดความรู้ขึ้นเรียกว่าจะครูวิญญาณมีวิญญาณเข้าไปแต่ในปัจจัยการหลักปัจยการไม่มีวิญญาณตรงนั้นแต่วิญญาณดวงยูกขั้นต้นเป็นวิญญาณเข้าปฏิสนธิเอง ในตรงนี้แหละเมื่อข้อเรามันมีรูปร่างกายนั่นเองอะ่ะมันจึงมีตามีหูทีนี้รูปร่างกายมันจะมีจะเป็นได้นี่มันก็ต้องอาศัยมีวิญญาณครองวิญญาณก็คือตัวที่ถือที่ยึดจยู่ท่านไม่เรียกว่าใจท่านเรียกว่าวิญญาณ เพาใจมันเกาะมันถือสิ่งที่มันมองเห็นเกาะสิ่งที่มันมองเห็นนั่นแหละเพราะว่าตาของเราสมมติว่าดูพระราชาหรือดูหนังตามันจ้องอยู่กับรูปติดอยู่รูปนั้นไม่รู้สึกตัวบางคนน่นแน่วแน่ในการดูยงกัดยังไม่รู้สึกตัวเลยไม่รู้สึกกายเลยเพราะว่าตามันจดจ่อมาก แน่แน่นานี้บางทีเรียกไม่ได้ยินอะ่ะเพราะไม่ได้เอาใจใส่ตัวเองเอาใจใส่แต่ภาพที่เห็นหรือบางคนฟังเสียงจดจอยในเสียงนั้นเหลือเกินใครเรียกของใครๆมาเรียกก็ไม่ได้ยินอีกอะ่ะเพราะไม่ได้เอาใจใส่เพราะใจมันจดเสาะจ อ, จอแต่ละอย่างละอย่างเกาะในสิ่งนั้นท่านจึงเรียกวิญญาณ แกตัดกระแสถ้าว่าให้ตัดวิญญาณดับวิญญาณหน่อเสียคือดับไม่ให้ใจเขาเรามันส่งไปจดจ่อในสิ่งนั้นเห็นว่ามันไปทางตาไม่ให้ตาไปจดจ่อดับตาก็มารู้ใจนทนาทันจริงว่าวิญญาณอย่าว่าที่คนตายไป พอตายประภาพมันก็มีรูปละเอียดปรากฏขึ้นมาให้ถือขอพ่อใจนะไปถือเอารูปภาพตัวเองนั้นไว้จึงเรียกวิญ ญ, ญาณไม่ใช่ตัวใจตัวใจก็ส่องไปเกาะทั้งสิ่งไว้ก็เลยแอบกันอยู่นั้นจึงรู้จักเฉพาะวิ ญ, ญญาณไม่รู้จักใจแต่ความจริงก็คือใจในเองอะ่ะแต่ใจนั้นมันไปเกาะข้างหน้า มองไปข้างหน้าเหมือนกับรูปร่างกายของเรานี่ส่งตาใชา้ตามองมันก็ไปเห็นก็ไปติดอยู่ตรงที่มองนู้นก็ไม่รู้มารู้สึกตัวเองหรือร่างกายตัวเองนี้หรือไม่รู้จากตาตัวเองอเลยหรอวะทีนี้วิญญาณทั้งหลายจะไปถือพบนั้นพบ อาศัยบุญระบาดนี่นาไปอาศัยบุญระบาสที่อยู่ในดวงรู้นะี่ที่อยู่ตรงใจนะหากคนเราเพอจะถึงเวลาถึงใจถอนจากร่างกายนะตอนนั้นใจตั้งอยู่ในที่ไหนอะตั้งอยู่ในกุศลและอกุศล ถ้าตั้งอยู่ในกุศลใจก็ส่งวิญญาณไปถึงในสิ่งที่มันเป็นเป็นภาพที่เป็นกุศลธรรมแน่แน่วว่าเออตัวเองนีนแต่ทำดีมาแล้วปลื้มใจคงจะได้ไปสวรรค์เพราะว่าเนื้อเท่านาั้นละภาพสวรรค์ปรากฏวาบให้เห็นเลยเป็นภาพสวรรค์ที่เดียวเห็นถ้าจิตจิตก็มองเห็นภาพนั้น จิตสลัดออกจากกายก็ติดภาพนั้นพับทันทีภาพสวรรค์ น, นั่นแหละครั้งแรกมันมันไม่จริงแต่เมื่อจิตสลัดออกติดภาพนั้นพับเป็นจริงขึ้นมา ท, าทันทีเพราะว่าภาพหลังนี้ดับไปก็ไปได้ภาพข้างหน้าเฮ mm hmm. ผู้ไม่มีนิมิตอะไรจิตถอนออกไปก็เป็นเรียกว่าถือรูปละเอียดของตัวเอง เป็นตัวเรงนั่ลอยไปตามสภาพไปที่นั่นที่นี่ไอพวกนี้ียกว่าครึ่งๆกลางๆ ก, กุศลและอกุศลกุศลก็ไม่มากไม่พอก็ต้องเป็นตัวเองอย่างนั้นก่อนลอยไปลอยไม้เป็นมนุษย์เหมือนกับตัวเองเป็นมนุษย์ธรรมดาไอประเภทนี้น่ะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นผีหลอกเขาว่ะ มีคนละลึกชาติให้ฟังเล่าให้ฟังเขาละลึกชาติได้เขาเมื่อก่อนนั้นจะเกิดมานในพ่อแม่กลาเป็นลูกคนโตของพ่อแม่ต่อมาอายุสักสิบสี่สิบห้านี่แหบลบะแล้วกเกิดเป็นใคร หัวกนก็เลยตายพอตายไปแล้วก่อนทั้งแรกแกก็อยู่กับพี่กับน้องวนเวียนอยู่จังนยังไม่ไปไหนต่อมาแกก็เลยว่าแกได้เป็นลูกเทวดาแกไปอยู่ต้นไม้ที่อยู่ยหน้าบ้านต้นดูจะเป็นต้นไม้ ไม่หลังไม่แง่ไม่แง ะ, ไ ม, แงะไม่เปาไม่เปาไม่หลังไม่เปาถึงต้นใหญ่แ้่ก็ไปอยู่นั่นแล้วแกเล่าให้ฟังว่าในขณนดที่ญาติพี่น้องเขาทำําบุญแล้วเคาอุทิศให้เขาแกเป็นลูกคาเทวดาแกไม่ได้รับโดยตรงเพราะแกได้อยู่อาศัย ญาติพี่น้องเ็าทำแล้วก็อุทิตย์ก็แกรู้สึกว่าได้กินอาหารเ mm. ขาได้กินโชยมาก็อิ่มแต่ว่าเมื่อเขาประกาศอุทิย์กุศลทำบุญให้เขาอาทิตค์เให้ได้สวนบุญขอให้หัวนั่นได้อย่างนั้นอย่างนี้เลแกว่าอิ่มไม่หมดเนี้ว่าแกอยู่นั่นอยู่ที่ต้นนั้นถึงหกปี เป็นลูกคาเทวดาเดินถึงหกปีเออครั้งแรกยังยังไม่ไปเป็นลูกคาเทวดาดอกครั้งแรกคล้ายๆกว่ามันไปไปมีหมู่อยู่ตามนั้นนะโอ้หมู่หลายเห ล, ลือเกินแกวะเนี่ยว่าเป็นผีซะก่อนครั้งแรกว่าคล้ายๆเป็นผีนั่นน่ะชอบไปหลอกเขาแกว่าขนาะเห็นมนุษย์ทั้งหลายมันเดินผ่านมากกว่ามันคําๆนี่แ่ะก็ ไปช่วยกันเขาย่าต้นไม้ใส่เขานะ่ะครั้งแรกเราตัวกลัวเขาเห็นมากเกินว่างกันเพราะมันโตัวเห็นเขาเนี่ยนะแต่ว่าเขาเหล่านัน้นเนไม่เห็นเราช่วยกันขาย่าวต้นไม้ใส่ให้คนที่ผ่านมาเนะี่ยเห็นเขากลัววิ่งวิ่งหูซุกหูซนแบบนี้อกดีใจหวังเดี๋ยวเป็นผีหลอกเขาหลอกให้สนุกสนุกมันสนุกดีกน่ะหรือว่ามีเพื่อนมาก เพื่อนมันก็มีเพื่อนตัว่ซนๆนอ่ะเพื่อนไปหลอกมนุษย์เขาองมันอยู่ต่อมากอาวันที่แกจะพ้นจากอนั้นว่วาญาติพี่น้องทาบุญเขากประกาศอุทิศกุศลให้แกก็ได้กินอาหารการกินนียังได้ต่างโหผลสุดท้ายเครื่องนุ่งเครื่องห่มของที่เขาทานผมมันลอยมาลอยมาแล้วก็มาสวมที่กายของแ ก, กเลยือกลายเป็นเทพขึ้น ไปสิงะถิดอยู่ต้นไม้ที่หน้าบ้านพ่อกันหน้าบ้านพ่อแม่พ่อแม่เดิมมกนั่นแหละต่อมาว่าแกอยู่นั่นหกปีก็ถึงเวลวาวาระก็โกร่งจากต้นไม้กันามามันเหมือนมีอะไรมันหมุนวุบเข้าไปเนี่ย เข้าในเข้าไปในท้องของแม่เมื่ อ, อไรไม่รู้แม่เดิมแกนละ่ะเมื่อก่อนก็แกเป็นลูกคนโตแต่ครานี้เป็นลูกสุดท้องลูกสุดท้องของพ่อแม่อันนี้แกเล่าให้ฟังนะแค่นั้นไม่ได้ไปในโลกสวรรค์แล้วสนุกสนุกสนานอยู่ตามนะั่นครั้งแรกตายครั้งแรกกับเป็นผีไปหลอกเขาซะก่อน ต่อมาก็ได้เป็นลูกคาเทวดาเพราะเขาทําบุญที่ไทยก็เป็นลูกคาเทวดาขึ้นมาแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์อ่าแกก็ระ ล, ลูกญาติเล่าให้ฟังนั่นแหะจิตมันถือวิญญาณเดิมถือรูปตัวเองก็เป็นตัวเองอยู่งั่นะไปหลอกเขาก็เป็นตัวเองนั่นแหละตอนเป็นลูกคาเทวดาก็เหมือนกับเป็นตัวเอ ง, องนั่นแต่ว่ารูปร่างกายของแกละอ่อนละเอียดอ่อนมาก กว่าเดิมนี่คือการเกิดของมนุษย์ก็เพราะว่าอาศัยตัวเองอ่ะไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักใจเป็นตัววิชาวนั้นพวกเราภาวนากันนะภาวนาเพียรพยายามที่จะให้รู้จักใจตัวเองให้ได้เราไปแต่เอาใจรู้ถ้าพุโทโธก็หนักพุทโท พุโทโธรู้ใจก็พุโทโธใจรู้ด้วยอย่าอาจารย์มุญจันทร์เพิ่นให้อุบายพุโทโธรู้ใจพุโทโธใจรู้ท่านว่าเออถูกงท่านดีก็หมายถึงให้เรารู้จักให้รู้จักใจแล้วก็ให้ใจรู้ปกตินะใจมันจะไปรู้อยู่ตลอดเลยล่ะรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็รู้ข้างหน รู้ขนาดรู้ยังไงก็รู้สุขรู้ทุกข์อะสิใจมันรู้สุขรู้ทุกข์เสวยสุขเสวยทุกข์อยู่นั้นน่ะนอนอกี่เกือกกิ้งอยู่ที่สุขที่ทุกข์นั่นแหละทางแหลกพอได้สุขก็นอนเกือบใหญ่งานเขาก็กลายเป็นทุกข์อีกแหละฉ่นั้นให้ทุกคน การทาความเข้าใจว่าเรามาภาวานานั้นต้องการให้รู้จักเราในเองให้เป็นตัวเองทําลอกเอาใจเขาได้ออกจากขันหา้าให้เป็นอิสระเพื่อให้ใจของเราหลุดพ้นใจหลุดพ้นจากความยึดถือแต่เราจะไปยึดเอไปให้ไปหลุดไปล ด, ปลดพ้นโดยตัวเองไม่ไม่ได้ต้องหลุดพ้นด้วยปัญญา ดดพ้นด้วยความเห็นจริงความเห็นจริงรู้จริงละจะรู้จริงเห็นจริงก็เพราะอาศัยการสร้างสนติสมาธิปัญญาอย่างนี้ถ้าการทำอย่างนี้ปฏิบัติกันอย่างนี้เวลาเราอบรมลมใจถือเป็นการสร้างสัติ นี่เวลาทั่วไปก็รักษาสติคือเราไม่ได้นั่งภาวนาไม่เดินจงกร ม, มละแล้วก็มีสติรู้ใจทานายรู้กายรู้ใจตัวเองเรื่อยถ้าว่ารู้ใจไม่ใช่จริงก็กาหนดรู้กายด้วยถือว่ากายโดยทาความรู้สึกกายเดินไปเท่าไหรก็รู้กายตัวเองแล้วก็รู้ใจทำอย่างนั้นแต่เมื่อเราเราฝึกสติสมาธิมันพอแล้วมันเป็นของมันเอง รู้กายรู้ใจของมันเองตายเป็นของแตกดับของแก่เจ็บตายได้ใจไม่แก่ใจมันก็รู้เข้ามันเองพระเจ้าสอนให้เราเราเอาตัวเองนี้ถ้าเราถามปัญหาว่าเราทำความดีเราให้ทานเราสาสินสรภาวานาะเราเร า, เราสร้างบุญ แล้วเราได้บุญนี่อย่งถ้าเราถามตัวเองเราได้บุญนี่อย่งเอาตรงไหนบุญก็ต้องย้อนเข้ามาตัวเองเพื่อเอ า, า, <imin> าเราเท่านนั้นไม่จงเอาบุญหรอกเอาตัวเองเพื่อเอาใจาให้ได้ให้เข้าถึงใจให้ใจดูดพนจากของที่มันแก่เจ็บตายต่นันอย่มองเห็นว่ามัน ผลจากแก่เจ็บตายของแก่เจ็บตา ย, ายก็คือขันห้า ล, ล, หลูกนันลูกร่างกายนี่มันแก่เจ็บตายพระพุทธเจ้าสอนให้เราให้มีความรู้และเห็นทางรู้ด้วยทั้งเห็นด้วยอย่าในขณะที่เรากำหนดรู้กายแล้วก็ทำความรู้สึกที่กายมีนากายทำความรู้สึกกายเรื่อยๆ จนกว่าใจนะั้นมันจะรู้เห็นกายในตามความเป็นจริงแล้วมันก็จะปล่อยวางมันเองแต่พวกเราไม่สร้างไม่ทาไม่มีใครสร้างอะไรเรียกว่าต้องการจะเอาเราท่ันและอันดับแร ก, แกเราก็เอาใจของเราก่อนไปไหนมาไหนก็รู้ใจบุญคล้งหลายบาปเทลายมันอยู่ที่ใจเรานะอย่าให้วิ่งไปหาบาปกัแล้วกัน เมื่อเราทำอย่างนั้นก็เป็นทางให้เราเจริญได้อันนี้อุบายวิธีธรรมะทั้งหลายที่นำมากล่าวนำมาแสดงให้กว้างก็ต้องการส่งเสริมจิตใจปัทฐานทั้งหลายให้พากันยินดีพากันมีความพอใจในการปฏิบัติธรรมเราสร้างบุญก็เพื่อจะ จองเสริมปิจัยของตัวเองนะให้มีสติสมาธิปัญญาไม่ใช่อื่นกายเราต้องสร้างบุญเพื่อเป็นอยู่ในปัจจุบันหมายถึงว่าเราประกอบสัมมาอาชีวะหาเลี้ยงชีพหาเลี้ยงตัวเองแล้วเราก็จะไม่ต้องทําเพื่อภายหน้าไว้คือบริจาคทานรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์สําร็จกลือหัดแล้วก็จะไม่ต้องสร้าง ธรรมะเพื่อให้เข้าถึงที่ไม่แก่ตายเพื่อให้ใจของเราเข้าถึงที่มันไม่แก่ตายโน่นหมายถึงนิพานจะให้ใจของเราเข้าถึงที่เป็นเด็ก็ต้องเข้าถึงธรรมะฝึกขัดธรรมะที่มันไม่แก่ตายก็คือสติสมาธิปัญญาอย่างที่พวกเราพักกันปฏิบัติที่นี่แต่พักกันทำสม่าเสมอแต่รักษาตัวเองคือรักษาใจ กชคิดว่าปฏิบัติธรรมทุกเมือ่อเราก็ไม่ประมาทาาว่ายังไม่ถึงนั้นถึงจุดที่ไม่ตายเราก็ได้ไอายสายทานสินของพวกเราที่ทำมาทานเป็นเครื่องส่งเสริมให้บรรฐานตาตูกทัจะเกิดสีนเป็นเหตุทั่านใดรูปร่างกายทานใจจากเสือซึ่งโลคาพาดภัยพิบัติถ้ารักษาสีลให้ทานยืน ไม่ต้องไปปาถนะเลยมันก็ได้เองถึงเองหละเี้ถ้าจะไปปาถนะแต่ว่าไม่ทํามันก็น่ะมันก็ไม่ได้งั้นทานนะให้ทําตามกมสมควรเก็บกำลังตัวเองโดยมีกําลังเท่าไรมีความสามารถเแล้วก็ทําแค่นั้นส่วนเส้นนั้นจะเป็นต้องรักษาเป็นจําประจําคือเรียกว่านิจเสินเราทั้งหลายจึงจะไม่มีเวรภัยอธรรมะที่นำมาการาบนำมาแสดงให้ฟังกับข้อยุติไว้เพียงแค่นี้